งเอาไว้ก็สรุปนะที่พูดไว้เมื่อวานก็คือว่าเมื่อเรามาที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ขอให้เราได้พบมิต่สำคัญอย่างหนึ่งที่มักจะมองข้ามไปหรืออาจจะไม่รู้จักเลยนะนั่นก็คือใจนี่แหละนะใจของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมิตรประเสริฐของเราได้และมิชนิดนี้เนี่ยนะสามารถจะนำสิ่งประเสริฐ ที่แม้แต่พ่อแม่มิสหายก็ให้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ได้ซ้ำยังมีพุทธพจนะ์ตรัสว่าสิ่งประเสริฐหรือสิ่งดีงามที่พ่อแม่สามารถจะให้กับเราได้เนี่ยแต่จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะสามารถจะให้ได้ยิ่งกว่า ที่พ่อแม่จะให้ได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยน้อยคนนะที่จะมีใจเป็นมิตรนะหรือว่ามีจิตเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงส่วนใหญ่แล้วตรงข้ามมากกว่าคือว่าจิตเนี่ยกับกลายเป็นเสมือนศัตรูของเราสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่หยุดหย่อนเป็นจิตที่เจ้าคิดเจ้าแค้น เจ้าอารมณ์อะไรมากระทบก็ไม่พอใจนะโมโหฉุนเฉียวง่ายหรือว่าเป็นจิตที่คิดลบนะเจออะไรก็เห็นแต่แง่ลบก็เลยไม่มีความสุขมีแต่ความหงุดหงิดบางทีก็เป็นจิตที่คิดเหงาขี้เหงานะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ยังเหงาห่างว้างนะบางทีก็เลย ผลักดันให้เราต้องไปหาใครสักคนมาเป็นคู่ครองทั้งทั้งที่รู้ว่าคนคนนั้นนี่นิสัยไม่ดีเจ้าชู้หรือว่าไม่เคารพแต่ว่าเนื่องจากกลัวเหงานะก็เลยต้องนะยอมนะยอมเขาทุกอย่างนะเพียงแค่ให้เขาได้อยู่กับเรานะใจมันจะได้ไม่เหงา อย่างนี้ก็มีนะหรือว่าจิตที่ขี้ฉานะเห็นใครดีใครเด่นใครเก่งก็ไม่ได้ทนไม่ได้อาจจะไม่อฉาแต่ว่าก็ชอบเปรียบเทียบเนะี่ยคิดเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองด้อยอยู่เสมอหรือบางทีก็เป็นจิตที่ไม่รู้จักพอมีแล้วมากมายก็ยังอยากจะได้อีกเองคนนั้นมีก็อยากจะมีบ้าง ก็ทำให้ต้องดิ่นหลนทำให้ต้องเหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการสแสวงหาเงินทองนะชื่อเสียงการยอมรับนะเห็นคนหนึ่งเขานะค่อยๆกดไลค์ให้เขานะแต่ไอ้รอนี่ไม่ค่อยมีคนกดนะหรือมีคนกดเป็นพันแต่ยังอยากได้เป็นหมื่นนะก็ทุกข์นะถ้าจิตเนี่ยเป็นจิตที่ป่วนนะ เป็นจิตจอมป่วนนะที่ทำให้นอกจากเราจะหาความสุขได้ยากแล้วบางทีก็เต็มไปได้วยความทุกข์เป็นจิต ท, ที่ปล่อยวางไม่ได้ชอบเก็บชอบจำในสิ่งที่เป็นลบนะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมวางแบกเอาไว้นะอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็ไปคว้ามาสร้างความวิตกกังวลนะให้กับตนเอง บางทีก็เป็นจิต ท, ที่ติดเกมนะอะไรต่ออะไรมากมายทำให้ไม่สามารถที่จะพบกับความสงบหรือสามารถที่จะมีสมาธิกับสิ่งใดใดได้นะบางคนก็ติดเล่าติดบุหรี่บางคนก็ติดนะการพนันติดหรือว่าแสวงหาความตื่นเต้นหลายคนที่เข้าหาการพนันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอยากอยากจะรวยหรืออยากจะมั่งมีนะ แต่ว่าอยากจะได้ความตื่นเต้นนะหลายคนก็รอคอยความตื่นเต้นมาที่สิบหกบ้างวันที่หนึ่งบ้างนะอันนี้ก็เป็นเป็นอาการของจิตนะที่ได้ที่มันคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเรานะสร้างความทุกข์จะเป็นจิตที่เกเรนะเป็นจิตที่บางครั้งก็อันตรพาดมากถึงเวลาอยากจะหลับ ไอ้จิตตัวนี้มันก็ไม่ยอมหลับมันจะคิดสารพัดปรุงแต่งต่างๆนานาไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทิมแทงทำร้ายนะตัวเราหรือว่าผักดันพายเราให้ไปมีชื่อที่ตกต่าย่าแย่เราเคยตระหนักบ้างหรือเปล่าว่าเนี่ยจิตนี่แหละนะที่เป็นศัตรูนะที่น่ากลัวยิ่งกว่าอย่างอื่นพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนพานปัญญาสามเนี่ย ย่อมทํากับตัวเองประหนึง่งเป็นศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองและศัตรูชนิดนี้น่ากลัวกว่าศัตรูที่อยู่ข้างนอกที่เป็นคนอื่นนะไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่บนท้องถนนได้ซ้าเพราะว่าศัตรูชนิดนี้มันตามติดเราไปตลอดทํากับตัวเองมันเป็นศัตรูี่หมายความว่าอย่างไงนะความหมายพื้นฐานคือว่า ชอบไปผิดศีล น, นะทำชั่วทำบาปเมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความทุกตามมาผิดศีลไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อสามเนี่ยมันก็เลยแล้วแต่ตามมาด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจอาจจะได้ประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราวเช่เนไปขโมยเข้ามาเออมันก็มีเงินใช้นะแต่ว่ามันก็เป็นสุขชั่วคราวนะแล้วก็ ที่ยาวนานตามมาคือความทุกข์นั่นแหละหรือความเดิอเือดร้อนใจใจมึงแม้ไม่ผิดศีลนะรักษาศีลไว้ดีนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันชอบคิดชอบแค้นหรือชอบคิดติดลบนะหรือว่าชอบไปเก็บเอาเรื่องราวในดะดีมาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองเอาคำพูดคำจาของคนนั้นคนนี้นะมากรีดแทงนะ ซ้ำเติมตัวเองก็หาความสุขได้ยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำร้ายตัวเองนะทำตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูคนทุกวันนี้ทำร้ายตัวเองเนี่ยอยู่บ่อยๆนะอาจจะไม่ได้ทำร้ายนะด้วยการอเอาของมาทิมแทงตัวเองแต่จิตใจเนี่ยนะมันเอาความทุกข์มันไปคว้าความทุกข์ต่างๆมา บัณฑรทำร้ายตัวเองอยู่เป็นประจำทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทาให้ความดันขึ้นพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเราไม่ควรนะเอาทุกข์มาทับถมตนนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความทุกข์อยู่แล้วนะเช่นทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะปวดทุกข์เพราะเมื่อยทุกข์เพรา ะ, ะปวดหนักปวดเบาแต่เป็นเพราะใจเนี่ยนะ นี่แหละเนี่ยที่ชอบเอาทุกมาซ้ำเติมตัวเองบางทีปวดเมื่อยเนี่ยนะแค่ปวดกายก็พอแล้วนะไอ้ใจนี่ก็ยังไปไปแบกเอาความปวดความเมื่อยหรือไปจดจ่ออยู่ความปวดค ว, ความเมื่อยจนกระทั่งใจก็เป็นทุกข์ด้วยสังเกตไหมเวลาเราปวดเราเมื่อยเนี่ยใจมันจะเข้าไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละที่จริงเนี่ยใจมันควรจะวางมากกว่า ควรจะปล่อยควรจะวางควรจะลืมซะนะมันจะได้ปวดอย่างเดียคือปวดกายแต่ใจเนี่ยมันก็ไปจมจอมอยู่ตรงที่ปวดนั่นแหละไม่ว่าจะปวดหวัวปวดท้องปวดฟันปวดเท้าใจมันจะจี้นะนั่นแหละคืออาการที่ใจมันไปแบกบเอาความทุกข์ของกายนะมาเป็นความทุกข์ของกูไปด้วยนะนี่เรี่อว่าซ้ําเติมตัวเองเวลาของหาย แทนที่จะหายแต่ของหรือว่าเสียแต่เงินใจมันก็เอาแต่คิดนะถึงเงินที่เสียไปมันไม่เพียงแต่เกิดความอาลัยอาวรณ์เกิดความเสียใจหรือใจเสียเท่านั้นนะทําไปมากมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียเวลาจะทํางานก็ไม่มีสมาธิทํางานงานก็เสียเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงไม่มีอารมณ์หงุดหงิดเพื่อนหยอกล้อก็ด่าเพื่อน เกิดการทะเลาะเบาแว่งกันก็เสียเพื่อนอีกนะอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองทั้งนั้นที่คนเราเนี่ยนะควรจะรักตัวเองนะแต่ว่าก็มักจะซ้ําเติมตัวเองเพราะอะไรนะเพราะใจที่มันแปรพักนะใจที่เป็นจิตอันาพานนะจอมป่วนที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะนิสัยเดิมของใจนะแต่ถ้าเราดูให้ดีเนะี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ดูแลรักษาใจนะ เราไม่ดูแลรักษาใจของตัวเองปล่อยให้มันกลายเป็นใจอันพานนะไม่ให้ความใส่ใจมันกบเหมือนกับเรามีลูกนะหรือมีหลานเนี่ยเราไม่ดูแลไม่สนใจไม่ให้ความรักกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นคนเกเรนะวัยรุ่นที่เป็นอันพานนักเรียนอาชีวะที่ก่อความรุนแรง นะถึงขั้นไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยพวกนี้เขาก็เป็นผู้ที่ขาดความบอบอุ่นนะไม่เคยได้รับการดูแลเท่าไหร่ใครที่ไม่ดูแลก็พ่อแม่นะหรือว่าญาติาผู้ใหญ่จิตที่ไม่ได้รับการดูแลใจใส่จากเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะการเป็นจิตที่ป่วนการเป็นจิตที่เกเรอันตภานการที่เราไม่ดูแลรักษาใจนะมันก็ทําให้ตัว อารมณ์อคติสต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงําได้จริงๆจิตจิตเราเนี่ยจะไม่เป็นจิตที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าโกรธนะถ้าเกิดว่าเราดูแลดูแลรักษาใจให้ดีนะที่จิตเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเพราะว่าไอ้ตัวมีอารมณ์ตัวกิเลสต่างๆเข้ามาป่วนมากกว่านธะรรมาชาติจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พอไออารมณ์ต่างๆกิเลสเหล่านี่มันเข้ามาครอบงําครองใจเราแล้วเนี่ย มันก็ทำให้จิตเราเนี่ยแปรผันนะกลายเป็นจิตที่อันตรายขึ้นมามันก็เหมือนกับร่างกายหรืออวัยวะของเราเนี่ยปกติเขาก็สร้างความปกติสุขให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายเช่นปล่อยให้อ่ท้องเนี่ยนะกรบพาะ อ, อาหารเนี่ยมันมีเชื้อโรคเข้ามาก็ท้องเสีย บ, ยบย่อยๆนะ ท้องเสียไปบ่อ ย, ยเนี่ยเรียกว่าหาความสุขไม่ได้เลยจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะท้องมันเสียมันขี้แตยถ่ายตลอดเวลาไอ้ท้องนี่มันกลับกายมาเป็นตัวป่วนนะสร้างความวุ่นวายกับเราไม่ใช่เพราะเป็นนิสัยของเขานะแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยถูกเชื้อโรคเนี่ยเข้ามารังควานก่อกวนแล้วที่เชื้อโรคเข้ามารังควานก่อกวนเป็นเพราะเราไม่ดูแลด้วยซ้ากินอาหารก็กินไม่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ ใจก็เหมือนกันนะใจเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้พวกกิเลสเข้ามาหรือว่าตัวอารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำเนี่ยมันก็กลายเป็นจิตที่ป่วนใจที่เกเรอันตพานจิตที่คิดอิจฉานะคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าชอบคิดลบดังั้นถ้าเราอยากจะให้ใจกลับมาเป็นมิตรเนี่ยอันประเสริฐเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือว่าทําให้รักษาใจไว้นะอย่าให้อารมณ์ อ, อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงำซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้การใส่ใจให้ความดูแลใจใสจิตเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้ใจเนี่ยมันกลับมาเป็นมิตรกับเรานะทำให้จิตเป็นเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของเราแล้วถ้ามีใจเป็นเพื่อนแล้วนะมันไม่ใช่แค่ว่ามีความอบอุ่นในทุกที่เป็นสุขในทุกสถานนะแต่ว่ายังพบกวับความสงบได้ได้ทุกเวลา เราเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะกระนําขณะที่แสดงธรรมนะถึงแม้ว่าทําให้การแสดงธรรมมันต้องยุติแต่ว่าสิ่งดีอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่สังเกตคือว่ามันตกหนักเท่าไหรเนี่ยแต่ว่าตัวเราก็ไม่เปียกลองนึกเสียว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วตัวเราเปียกเราเปียกนี่นะคงจะวุ่นวายนะแต่เราก็ยังอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆได้ทุกคนก็ตัวแห้งฝนก็ไม่มาสัมผัสเนื้อตัวเรา ฉะนั้นที่ฝนนี่มันก็เทก็ <c oughs> เทก็นนาลงมานะดังลองจินต น, นาการว่าแทนที่จะเป็นฝนนะแต่ว่ามันเป็นเสียงเสียงด่าเสียงต่อว่านะแล้วลังคาเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับอุปมาเหมือนกับขูของเรานะเสียงด่ามากระทบขูแต่ว่าเรา นะยังอยู่นิ่งไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับเมื่อวานนะฝนตกมาเทมาแค่ไหนเราก็นั่งนิ่งจินตนาการว่าเสียงด่าเนี่ยมันมากระทบหูเราแต่ว่าใจเรานิ่งนะเสียงด่าทำอะไรใจไม่ได้เลยจินตนาการแมาแทนที่เป็นสายฝนนะแต่ว่าเป็นของแหลมที่มันมาทิม เนื้อเราหลังคาอาจจะเปรียบเหมือนกับเนื้อเราของแหลมมาทิ่มเนื้อเราแต่ว่าใจเรานิ่งมียุงมากัดนะยุงมาสัมผัสที่เนื้อเหมือนกับสายฝนที่กระทบหลังคาแต่ใจเราเป็นปกติจะเปลี่ยนสายฝนให้เป็นแดดร้อนนะหรือว่าความหนาวที่มากระทบหลังคาคือผิวกายของเรา ใจเรานิ่งหรือจะเปรียบเหมือนกับว่าสายฝนมันกับภาพที่เราปกติเราไม่อยากเห็นอาจจะเป็นภาพตุกแกนะมากระทบตาเราหลังคาก็เปื้อกับตาเรามากระทบแต่ว่าใจเรานิ่งถ้าอะไรก็ตามที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบตาหัวจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจ แต่ใจเรานิ่งสงบนะเหมือนเมื่อคืนนะที่สายฝนเทลงมาอย่างไงกระทบหลังคาดังสนั่นแค่ไหนแต่ตัวเราก็ไม่เปียกนิ่งนะมันจะมีความสุขเพียงใดนะการที่ใจเรานิ่งได้ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้มีของแหลงมาแทงทําให้เจ็บปวดกายแต่ว่าใจเรานิ่งไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์มันจะวิเศษเพียงใดนะ ไอสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจินตนาการเราหรือว่าฝันเฟื่องนะทําได้จิตเราสามารถจะนิ่งได้นะไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายจะเป็นคําด่าต่อว่าด่าทอจะเป็นภาพที่ดูน่ากลัวหรือว่าจะเป็นความปวดความเมื่อยข้อความนะที่เป็นข้อความที่เอนะ สำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันทําให้โกรธทําให้โมโหแต่ว่าใจเรานิ่งได้เนี่ใจเนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้นะมนุษย์เราเครียกวเวนยสัตว์นะแปลว่าสัตว์ที่ฝึกได้ไม่ใช่ฝึกได้ทางกายเท่านั้นนะไม่ใช่ฝึกการใช้มือให้สามารถที่จะวาดรูปที่สวยงามหรือว่าเขียนตวนัวอักษรที่อ่างามพลิ้วนะแต่ใจของเราก็ทําได้ นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาฝึกกายจนกระทั่งเขาสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งอัศจัจยันได้แต่ความเป็นเวเนยสัตว์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่กายเท่านั้นนะอยู่ที่ใจด้วยใจเราสามารถฝึกได้แล้วถ้าเราฝึกใจให้ดีนะใจก็จะเป็นมิตีประเสริฐที่สุด ข, ของเราชนิดที่พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้หรือ แม้แต่กัลยาณมิกรูบาจารย์ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้คือสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้เลยนะสามารถทำให้ใจนี่สงบไม่ว่ามีอะไรมากระทบตาหัจมูกลิ่นกายแม้จะเจ็บป่วยแค่ไหนมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็สงบทุกวันนี้เนี่ยพอป่วยกายแล้วใจก็ป่วนตามไปด้วยแล้วพอใจป่วนนะมันก็ไปซ้ำเติมกายทำให้หนักขึ้นนะพอ ป่วยไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะพอใจวิตกกังวลนะใจเครียดก็ทำให้อาการเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นแต่ถ้าเกิดป่วยกายแต่ใจสงบนะใจที่สงบนี่แหละนะมันจะฉุดจะดึงกายเนี่ยให้หายไวๆให้หายเร็วขึ้นสามารถที่จะทำอะไรนะได้ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายเจ็บป่วย ากายเป็นของใจเป็นของประเสริฐมากนะที่ฝึกไดนะ้เราต้องให้เวลาแต่เราต้องให้เวลากับใจของเรานะทุกวันนี้เนี่ยเราไปให้เวลากับกายซะเยอะถ้าไม่นับการนอนนะซึ่งที่จริงก็คือการพักกายเวลานอนเนี่ยก็ไม่ได้พักใจเท่าไหร่นะเราก็ยังใช้ใจทำงานสารพัดถึงเวลาตื่นนอนขึ้นมาเราก็ใช้ใจ ทำอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปเพื่อการปนเปื้องกายให้ที่ทํางานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหาเงินมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับร่างกายเช่นมีบ้านมีรถเสื้อผ้าอาภรณ์แก้วแหวนเพชรนินจินดาพวกนี้ก็ลดแล้วแต่เป็นเครื่องประดับกายหรือเพื่อเสริมสร้างกายให้สุขสบาย เ, าเงินที่เราใช้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ ที่มันเอาไว้เป็นไปเพื่อการบำรุงจิตใจเวลาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะที่เอามาใช้เพื่อการดูแลรักษาจิตใจนะส่วนใหญ่มันเป็นไปเพื่อการดูแลรักษาหรือปลนเปลืกายทั้งสิน้นเราใช้เวลาวันหนึ่งหลายชั่วโมงกับการกินอาหารการทาอาหารการหาอาหารแต่พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารกาย เรามีเราให้เวลากี่นาทีนะสำหรับการเติมอาหารให้กับจิตใจของเราเราอยู่ในห้องน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการชาระร่างกายนะการตกแต่งหน้าตาทำผมเรื่องนี้ก็เป็นล้วนแต่เป็นเรื่องของกายทั้งสิ้นแต่เรามีเวลากี่มากน้อยนะในการชาระใจนะให้สะอาด ดูแลรักษาใจให้ผ่องแผ้วนะเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับจิตใจนะเรียกว่าแทบจะละเลยไปเลยหรือถึงจะดูแลจิตใจก็ดูแลแบบมันไม่ถูกต้องนะเวลาดูหนังเนี่ยเอออาจจะเป็นการาเติมนะความสนุกให้กับจิตใจแต่ว่าสิ่งที่เติมให้กับจิตใจมันก็แฝงไปด้วยมลพิษทั้งนั้น ละครทีวีโทรทัศน์เนี่ยมันก็มีแต่จะเติมนะให้ความขี้ฉาความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะความโลภให้กับจิตใจนะลองดูแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดให้กับจิตใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะต่อจิตใจของเราเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะ มารู้แล้วแต่เป็นมลพิษเป็นมลภาวะทั้งนั้นไม่เป็นต้องเข้าวัดก็ได้นะไม่เป็นต้องฟังธรรมที่พระเทศก็ได้มันมีสิ่งดีๆที่จะม่อให้กับจิตใจของเราได้อีกมากมายเนะช่นความสงบสง่ายของธรรมชาติหรือว่าหรือว่าสิ่งดีๆนะที่ผู้คนกระทาต่อกันเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็เกิดความซาบซึ้งเช่นความเมตตากรุณาความเผื่อแผ่ความเสียสละ ให้สิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่ควรจะมาเติมให้กับใจของเราเพื่อทําให้ใจเนี่ยเป็นใจที่มีเมตตาใจที่ไม่คิดเอาเปรียบหรือว่าชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นและที่สมคัญคือว่าการนะการให้เวลาในการฝึกจิตของเรานะเติมสติเติมสมาธิให้กับใจของเราอาการภาวนาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันแค่เป็นการทรมานตนนะมันเป็นการเติม สิ่งดีๆให้กับจิตใจของเราหรือเป็นการสร้างสิ่งที่มาช่วยคุ้มกันจิตของเราได้เช่นสติความรู้สึกตัวสมาธิสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยรักษาใจคุ้มครองปกป้องใจไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงําและถ้าสามารถจะปกป้องคุ้มกันจิตเนี่ยไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงําได้ มันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตของเรากลายเป็นจิตที่อชอบคิดชอบแค้นคิดเล็กคิดน้อยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยโทสะงั้นถ้าเรารักษาใจเราให้ดีเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นจิตที่เพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมมั่นคงหนักแน่นนะเวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเราก็นิ่งได้ แต่มีเสียงต่อว่าด่าทอมากระทบหูใจก็นิ่งได้นะเวลาเจ็บเวลาป่วยเออมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ไปไม่ไปแบกเอาความปวดของกายเนี่ยนะมาเป็นความปวดของกูจงกระทั่งกระสับกระสายทุรนทุรายนะกายปวดก็ป่วยไปแต่ว่าใจก็ยังนิ่งได้เวลาทำงานนะมันก็เหนื่อยจากกายนะ ใจไม่พลอยเหนื่อยด้วยนะเดีย๋ยวนี้ผู้คนเวลาทํางานเนี่ยไม่ใค่ไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจเพราะว่าเห็นคนอื่นก็ทํางานน้อยกว่าเห็นคนอื่นไปเที่ยวแล้วโอ้นะมันก็โมโหหรือว่าน้อยใจหรือว่าฉุนเฉียวขึ้นมาทําไมเขาทางานเบาวกว่าเราทําไมเขาไปเที่ยวแล้วทําไมต้องปล่อยให้เราทําคนเดียวอยจิตที่มันคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็ คิดแบบนี้แหละและผลที่ตามมาคือว่าเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยนะบ่อยครั้งเนี่ยเราซ้ําเติมตัวเองนะเพราะว่าใจที่คิดไม่ถูกนะใจที่ชอบแบกนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวนะเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยให้ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําำใจก็สงบได้นะ ทำงานเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติเพราะใจเพียงแต่รู้ว่ากายทำอะไรแค่นั้นเองนะแม้แต่เวลาแบกหิ น, นกายมันเหนื่อยนะแต่ว่าใจไม่ได้เหนื่อยด้วยเพราะใจเนี่ยสักแต่ว่ารู้ว่ากายทำอะไรนะไม่ได้ไปแบกหินซ้ำเข้าไปด้วยนะเวลาทำงานเนี่ยเรา สามารถจะทำงานได้อย่างมีสมาธินะแล้วก็เป็นปกติสุขพอใจเนี่ยไม่ไปโม่แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะไม่คอยกังวล น, นะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะจะได้ผลไหมคนก็จะว่าอย่างไรใจมันก็ไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาคิดเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิด สิ่งที่ควรทําในเวลานั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันแค่รับรู้ว่ากายทําอะไรหรือถ้าจะต้องใช้ใจคิดในการวางแผนในการทำงานเฉพาะหน้าหรือที่อยู่ข้างหน้าก็คิดได้อย่างมีทิศมีทางคิดจบก็วางลงได้นะไม่ใช่คิดแล้ววางไม่ลงหรือว่าคิดวกคิดวนก็ทําให้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแถมงานก็ ไม่ได้เรื่องหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรเสร็จ แ, แล้วก็มาเสียใจนะลองนะพยายามนะเรามาที่นี่เนะี่ยก็ให้เวลานะกับการกับใจของเราบ้างถึงแม้ว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยสะดวกกายเท่าไหร่นะการหลับการนอนนะก็หรือว่าที่นอนเสนาส น, นะอุปกรณ์ต่างก็คงไม่สะดวกเท่าที่บ้านของเราแต่นั่นเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าสิ่งอํานวยความสุข ความสงบกับจิตใจในที่นี่มีเยอะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าวิถีชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่อำนวยความสะดวกทางกายมีเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะอำนวยความสงบทางจิตเนี่ยกับขาดแคลนมันมีเสียงดังเสียงกระทบต่างๆตลอดเวลารวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะที่ทําให้ใจไม่สงบนะที่นี่ก็มีสัญญาณนะแต่ว่าถ้าเราพร้อมใจกันปิดโทรศัพท์นะ มันก็ถ้าเกิดเป็นการเติมนะปัจจัยที่จะช่วยทําให้ใจสงบมากขึ้นจริงอยู่สัญญาณโทรศัพท์กับความสงบของใจมันก็ไม่ไปต้องเกี่ยวข้องกันนะอย่างที่บอกเนี่ยเสียงมากระทบเสียงกระทบหลังคาหรือว่าเสียงมากระทบหูนะเหมือนกับสายฝนกระทบหลังคานะใจเราก็นิ่งได้แต่ว่าจะนิ่งได้ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังคาที่รั่วนะฝนตกลงมา เราอยู่ข้างล่างเราก็เปียกนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่ผ่านมาแต่ถ้าเราฝึกไว้ดีก็เหมือนกับว่าเรามีหลังคาที่แข็งแรงฝนตกล ง, งนลงมาแค่ไหนเทลงมาแค่ไหนมันก็ได้แค่ส่งเสียงสนัน่นแต่ว่าใจเราก็สงบได้ใจเราฝึกได้และถ้าเราสงบอย่างนั้นได้นี่ความสุขก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะ เราก็สามารถจะสดุดสุขได้ในทุกที่นะสงบได้ในทุกสถานอรหานต์พรพุทธ น, นี้